45, สี่สิบห้าพรรษาของพระพุทธเจ้าพระนิปนสมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆอาริยนายก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 ยังมีเกิดขึ้นโดยเทพบรรดาลได้ด้วยกติความเชื่อนี้มีติดเข้ามาในคำพีพระพุทธศาสนาจนถึงมีรวมไว้หมดหนึ่งเรียกว่าวลาหกสังยุตมีความย่อว่าเทพทั้งหลายนับเนื่องเข้าในพวกวลาหกมีหลายจำพวกคือวลาหกเทพแห่งความหนาวเย็นวลาหกเทพแห่งความร้อนวลาหกเทพแห่งหมอก เวลาหกเทพแห่งลมเวลาหกเทพแห่งฝนเหตุที่จะให้ไปเกิดเป็นเทพเหล่านี้คือประพฤติสุดจริตทางกายวาจาใจตั้งความปรารถนาจะไปเกิดเพราะชอบใจว่าพวกเทพเหล่านี้มีอายุยืนงดงามมีสุขมากตามที่ได้ยินมาทั้งได้ทานต่างๆ และเหตุที่ทำให้มีหนาวเย็นในบางคราวมีร้อนในบางคราวมีหมอกในบางคราวมีลมในบางคราวมีฝนในบางคราวคือพวกเทพเหล่านี้คิดว่าชะไหนเราพึงยินดีด้วยความยินดีของตนเพราะความตั้งใจของเทพเหล่านี้ก็มีความหนาวเย็นเป็นต้นขึ้นเรื่องวลาหกเทพนี้ มีเขามาจากความเชื่อเก่าแก่แต่ได้มาแก้ไขตามกติเทวดาในพระพุทธศาสนาดังพึงจะเห็นได้ว่าเทพเหล่านี้เป็นอุปาติกะกำเนิดคือผุดเกิดขึ้นเป็นตัวตนโตใหญ่ทีเดียวจัดเป็นสุกติภูมิจึงเป็นผลของกุศลกรรมและมีมากด้วยกันบางเทพมีอำนาจบรรดารให้เกิดหนาวเย็นบางเทพ มีอำารรานาจบันดาลให้เกิดร้อนบางเทพมีอำนาจบรรดาลให้เกิดหมอกบางเทพมีอำนาจบรรดาลให้เกิดลมบางเทพมีอำนาจบันดาลให้เกิดฝนจึงแบ่งออกตามอำนาจบันดาลได้ห้าจำพวกเทพองค์หนึ่งมีอำนาจบันดาลเพียงอย่างเดียวหรืออาจบ ร, รนดาได้หลายอย่างไม่ไดแสดงไว้ชัดวิธีบั ร, ราดาลคือเพียงคิดว่า ฉะนั้นเราพึงยินดีด้วยความยินดีของตนถ้าเวลาหกเทพแห่งฝนคิดดังนี้ฝนก็จะตกเวลาหกเทพประเภทอื่นก็เช่นเดียวกันความคิดดังกล่าวเรียกว่าเจโตปนิธิแปลว่าความตั้งใจมีอำนาจบรัรดาลให้เกิดผลขึ้นได้ตามอนุภาพของเทพผู้ตั้งใจมีเรื่องเล่าในอัตถกคถาว่าได้มีเวลาหกเทพบุองหนึ่ง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 ทำสัจจะอธิษฐานมีรดูเป็นสมุดฐ า, านมานบันดาลกำลังเิกและเมฆฝนประลายกันวลาหกเทพท่านว่าเป็นพวกเทพเที่ยวไปในอากาศคำว่าวลาหกในคำภีสับเล่มหนึ่งแปลว่าสิ่งที่นำหรือพาน้ำไปแปลกันโดยมากว่าเมฆใช้เป็นชื่อเรียกรวมของเทพเหล่านี้ว่าวลาหกกาย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 มีคติแสดงว่าเกี่ยวแก่กรรมปัจจุบันของคนเป็นเหตุข้อสาคัญอยู่ด้วยดังมีกล่าวไว้ในจตุ ก, การนิบาศว่าในสมัยเมื่อราชาทั้งหลายไม่ตั้งอยู่ในธรรมราชาหมายถึงผู้ปกครองรัฐสูงสุดในสมัยเมื่อราชาทั้งหลายไม่ตั้งอยู่ในธรรมผู้ประกอบราชกิจทั้งหลายพราหมณ์ผู้เป็นข้าบาดีทั้งหลายชาวนิคมชนบททั้งหลาย ก็ไม่ตั้งอยู่ในธรรมตามกันไปโดยลำดับเมื่อหมู่มนุษย์ดังกล่าวไม่ตั้งอยู่ในธรรมจันทร์อาทิตย์ดาวนักษัตริย์คืนวันเดือนกึ่งเดือนฤดูปีลมต่างๆก็ยักษ์เยื้องผิดปกติไปธรรมชาติจึงเกิดวิปริตผิดทางผิดปกติเช่นบังเกิดลมพัดผิดทาง ผิดฤดูกาลพัดต้นไม้หักโค่นเทวดาทั้งหลายเดือดร้อนฝนก็ไม่ตกหลังทานาน้ำสม่ำเสมอคือเกิดฝนแรงข้าวกล้าก็ออกเมล็ดผิดปกติมูมนุษย์บริโภคข้าไม่ดีก็มีอายุสัน้นผิวพรรณเศร้าหมองถอยกำลังโรคมากแต่ในสมัยเมื่อราชาทั้งหลายตั้งอยู่ในธรรมผู้ประกอบราชกิจทั้งหลาย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 ฝนก็ตกหลังทานน้ำสม่ำเสมอเป็นอันดีข้าวกล้าก็ออกมเมล็ดสม่ำเสมอเป็นปกติหมู่มนุษย์บริโภคข้าวที่ดีจึงมีอายุยืนผิวพรรณผ่องใสมีกำลังไร้โรคขาพาดมีฉันทะขถกลงท้ายความว่าเมื่อโคทั้งหลายข้ามไปอยู่โคผู้หัวหน้าฝูงเดินไปคดโคทั้งหมดก็เดินคดในเมื่อโคนำฝูงเดินคด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 ผู้ที่ได้รับยกย่องให้เป็นหัวหน้าถ้าประพฤติ ธ, ธรรมประชานอกนี้ก็ประพฤติตามรัฐทั้งหมดย่อมอยู่เป็นสุขถ้าผู้ปกครองตั้งอยู่ในธรรมในบาลีจตุกนิบาศตามที่ได้ยกข้อความมากล่าวนี้แสดงคติของพระพุทธศาสนาว่าไม่ได้ค้านกติความเชื่อเก่าตะบันไปหมดคติที่พอยกเข้ามาได้ก็ยกเข้ามาเป็นข้อปรารถเพื่อแสดงธรรมแทรกเข้า ผู้ที่ประสงค์จะสอนในภายหลังเมื่อไม่ประสงค์ข้อความปรารบข้างต้นก็ตัดออกเสียแสดงแต่ข้อธรรมตามความในชันทักษาข้างท้ายซึ่งเป็นลักษณะของพระพุทธศาสนาโดยตรงคือมีลักษณะที่เรียกอย่างหนึ่งว่าเป็นวิพัชวาทะแปลว่ากล่าวแบ่งแยกคือแบ่งแยกไปตามเหตุผลตามเป็นจริงเช่น ที่กล่าวแบ่งไปตามกรรมและผลของกรรมที่คนเรานี่เองทําในปัจจุบันนี้แหละดังความในชันทักษานั้นในที่บางแห่งยกเรื่องเมฆเรื่องฟ้าฝนมาเป็นข้ออุปมาเท่านั้นดังในจตุการนิบาทนี่เองกล่าวถึงเวลาหกคือเมฆหรือฟ้าฝนสี่อย่างเป็นข้อเทียบของบุคคลสี่จำพวกว่า1เวลาหกคารามแต่ไม่ตก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 3. เวลา 6. ไม่คำรามไม่ตกคือฟ้าไม่ร้องฝนไม่ตกเป็นข้อเปรียบของบุคคลที่ทั้งไม่พูดไม่ทําหรือทั้งไม่เรียนไม่ปฏิบัติให้รู้ 4. เวลา 6. กคำรามและตกคือฟ้าร้องฝนตกเป็นข้อเปรียบของบุคคลที่ทั้งพูดทั้งทาหรือทั้งเรียนทั้งปฏิบัตินห้รู้แจ้งเห็นจริง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 จะววรรกล่าวเพิ่มเติมถึงเรื่องอสุรเทพซึ่งเป็นศัตรูของพระอินทร์เทวราชแห่งเทพชั้นดาวดึงไหนที่มาโดยมากกล่าวว่าท้าเวปจิตติเป็นราชาแห่งพวกอสุรเทพแต่มีที่มาแห่งหนึ่งกล่าวว่าได้มีเมืองอสุ ร, ระอยู่สี่เมืองตั้งอยู่สีทิศแห่งต้นจิตตปาตลีซึ่งเป็นต้นไม้ประจำพบอสุ ร, ระ เท้าเวปจิตติหรือเรียกอีกนามหนึ่งว่าเท้าสุจิตะครองเมืองทิศตะวันออกเท้าสัมพรหรือเรียกอีกนามหนึ่งว่าเท้าสุจิครองเมืองทิศใต้เท้าผลิหรือเรียกอีกนามหนึ่งว่าเท้าสุโรชะครองเมืองทิศตะวันตกเท้าปหาราทะหรือเรียกอีกนามหนึ่งว่าเท้าราหู รองเมืองทิศเหนือสวรรค์ทุกชั้นที่กล่าวมาแล้วสรุปเป็นสามประเภทคือกามาะจรท่องเที่ยวอยู่ในกามได้แก่สวรรค์หกชั้นรูปาปาพจรท่องเที่ยวอยู่ในรูปฌานได้แก่รูปประพรมอรูปปาะจรท่องเที่ยวอยู่ในรูปฌานได้แก่อรูปประพรมฉะนั้นในสวรรค์กามาพจร์หกชั้น จึงยังเกี่ยวข้องกับกามคุณท่านแสดงว่าชั้นจาตุมหาราชิกาและชั้นดาวดึงมีเหมือนมนุษย์ชั้นยามามีต่กายสังสัขระชั้นดุสิตมีเพียงจับมือกันชั้นนิมมานรตีมีเพียงยิ้มรับกันชั้นปรนิมมิตวสวัสตีมีแต่มองดูกันเท่านั้น ส่วนในสวรรค์ชั้นรูปาพระจรและอารูปาพระจรที่เรียกว่าพรหมโลกทุกชั้นไม่เกี่ยวข้องกับกามในอัตถกถาวิพังกล่าวว่าไม่มีเพศสตรีเพศบุรุษในพรหมโลกในติกนิบาทแสดงอายุสวรรค์เทียบอายุมนุษย์ไว้ว่า50ปีมนุษย์เป็นหนึ่งคืนวันสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา30คืนวันเป็นหนึ่งเดือนสวรรค์นั้น 12เดือนเป็นหนึ่งปีสวรรค์ น, นั้น500ปีทิพนี้เป็นประมาณอายุของเทพชั้นจาตุมหาราชิกาเท่ากับ9ล้านปีมนุษย์100ปีมนุษย์เป็น1คืนวันสวรรค์ชั้นดาวดึงนับเดือนปีเช่นเดียวกันพันปีทิพนี้เป็นประมาณอายุของเทพชั้นดาวดึงเท่ากับสาโกดหล้านปีมนุษย์200ปีมนุษย์เป็นหนึ่งคืนวันสวรรค์ชั้นยามา นับเดือนปีเช่นเดียวกันสองพันปีทิพนี้เป็นประมาณอายุของเทพชั้นยามาเท่าก exactly ับ40บโกรธสล้านปีมนุษย์สี่รปีมนุษย์เป็นหนึ่งคืนวันสวรรค์ชั้นดุสิตนับเดือนปีเช่นเดียวกันสี่พันปีทิพนี้เป็นประมาณอายุของเทพชั้นดุสิตเท่ากับห7โกรธหล้านปีมนุษย์800ปีมนุษย์เป็นหนึ่งคืนวันสวรรค์ชั้นนิมมานรตี นับเดือนปีเช่นเดียวกัน 8,000 ปีทิพนี้เป็นประมาณอายุของเทพชั้นนิมมานารตีเท่ากับสองโกดกับสี่ล้านปีของมนุษย์หนึ่งันปีมนุษย์เป็นหนึ่งคืนวันในสวรรค์ชั้นปรนิ ม, มิตวสวสตีนับเดือนปีเช่นเดียวกันหนึ่งพปีทิพนี้เป็นประมาณอายุของเทพชั้นปรนิ ม, มิตวสวรตีเท่ากับ 821โกดกับหล้านปีมนุษย์การคิดเทียบปีมนุษย์นี้คัดมาไม่ได้สอบดูว่าจะถูกหรือผิดอย่างไรส่วนเทพชั้นพรหมโลกยิ่งมีอายุมากท่านว่า 1. พรหมปาริสัจฉมีอายุเท่าส่วนที่สามของกับคือหนึ่งในสมของกับ 2. พรหมปุโรหิตมีอายุกึ่งกับส มหาพรมมีอายุหนึ่งกับ 4. ปริตตาภ ะ, ะมีอายุสองกับ 5. อัปปมาณาภะมีอายุาาสี่กับ 6. อาภัสรมีอายุแปดกับ 7. ปริตตสุภะมีอายุสิบหกกับ 8. อัปปมาณสุภะมีอายุสามสิบสองกับ 9. สุภกินหะมีอายุ64กับ 10. เวหัพภะและอสัญญีสัตว์มีอายุห0 0กับ1อ็อวิหะมีอายุพันกับ1ออตตปะมีอายุสองพันกัสบ 13. สุทศัศน์มีอายุ4ี่พันกัสบ 14. สุทศัศสี มีอายุแปดพันกับสิบห้าอกนิทะมีอายุหนึ่งหกพันกับพรมเหล่านี้หนึ่งถึงเกเป็นชั้นรูปฌานที่หนึ่งสองสาชั้นละสามเหล่าที่สิบซึ่งแบ่งเป็นสองถึงที่สิบห้าเป็นชั้นรูปฌานที่สี่รวมเป็นสิบหและสิบเอ็ดถึงสิบห้าเป็นชั้นสุทธาวาสสำหรับพระอนาคามีไปเกิด ปริฏตาภาเป็นต้นมักเรียกว่าปริฏตาภาซึ่งติดมาจากเป็นคุณบทของภูมิทั้งถนัดลิ้นไทยเราเหมือนอย่างคำว่ า, าศาสนามาจากคำว่ า, าศาสนะซึ่งเป็นคำที่เรียกว่าอาการันแต่เราถนัดเรียกเป็นอาการันว่ า, าศาสนากลายเป็นคำไทยที่ถูกต้องถ้าพูดว่ า, าศาสนาะก็เป็นผิดแปลกไป พรหมทั้ง16เหล่านี้เป็นรูปปฐพมส่วนอรูปปฐพีอีกสี่ชั้นยิ่งมีอายุมากขึ้นไปอีกอารูปที่หนึ่งมีอายุสองห0กับอารูปที่สองมีอายุสี่0 0กับอารูปที่สมมีอายุห0 0 0 0กับอารูปที่สี่มีอายุ 80,000 สี่พันกับ อายุของสัตว์ในนรกอันหนึ่งมีแสดงถึงอายุสัตว์นรกเทียบกับอายุของสวรรค์ไว้ว่าห้าร้อปีทิพในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาเป็นคืนวันหนึ่งในสันชีวานรกสัตว์นรกขุมนี้อายุห้ารอปีนรกนั้นพันปีทิพในสวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นคืนวันหนึ่งในกาละสุตตะนรกสัตว์นรกขุมนี้ มีอายุ 1,000 ปีนรกนั้น2 0 0พันปีทิพในสวรรค์ชั้นยามาเป็นคืนวันหนึ่งในสังคาตนรกสัตว์นรกคุมนี้มีอายุ 2,000 ปีนรกนั้น4ี่พันปีทิพในสวรรค์ชั้นดุสิกเป็นคืนวันหนึ่งในโรรวนรกสัตว์นรกคุมนี้มีอายุ4 0 0พันปีนรกนั้น 8,000 ปีทิพในสวรรค์ชั้นนิมมานารดี เป็นคืนวันหนึ่งในมหาโรรุวนรกสัตว์นรกขุมนี้มีอายุ800พปีทิพนั้น 16, ึ่งพันปีทิพในสวรรค์ชั้นปรณิมมิตวสวรตีเป็นคืนวันหนึ่งในตาปณ น, นรกสัตว์นรกขุมนี้มีอายุ 16,00 งปีทิพนั้นมหาตาปณ น, นรกมีอายุกึ่งอันตรากับอเวจีนรกมีอายุหนึ่งอันตรากับ กำหนดอายุที่ท่านแสดงนี้โดยการเปรียบเทียบคือเทียบอายุของมนุษย์กับสวรรค์เทียบอายุของสวรรค์กับนรกแสดงว่าอายุของเทพมากกว่าของมนุษย์มากและอายุของสัตว์นรกยังมากกว่าอายุของเทพไปอีกส่วนเทพที่เป็นชั้นพรมก็นับเทียบด้วยกับกันของโลกมนุษย์เหมือนกันอายุของมนุษย์จึงน้อยมากพิจารณาดูตามวิทยาการในปัจจุบัน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 ฉะนั้นจะเกิดเป็นเทพชั้นไหนก็ต้องถูกเวลากลืนกินคือต้องดับไม่มีที่จะสถิตอยู่เป็นนิรันดรแต่อาจจะมีอายุนานนักหนาได้โดยเทียบกับเวลาของมนุษย์นี้ซึ่งความจริงหาใช่เร็วหรือช้าไม่เป็นเวลาที่พอเหมาะตามกำหนดสำหรับชั้นนั้นๆตั้งหากทางพระพุทธศาสนาแสดงที่ซึ่งไม่มีการเวลาคือที่ซึ่งไม่มีตัณหาหรือ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 ให้วิมุตต์คือหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายจิตที่ปัญญาอบรมแล้วด้วยได้รับการอบรมมาโดยลำดับดังกล่าวย่อมเป็นจิตที่รู้บริบูรณ์บริสุทธิ์ปราศจากสอนเสียบหมดความลิ้นรนสงบพ้นจากอำนาจโลกที่มีเวลาทั้งสิ้นถึงธรรมที่เป็นอาการลิกธรรมโดยแท้ แล้วอธิษฐานให้เกิดในสวรรค์ในอัตกคถาธรรมบทเล่าเรื่องเวลาของสวรรค์เทียบกับมนุษย์ไม่ว่าในดาวดึงเทวโลกเทพระบุตรองค์หนึ่งชื่อว่ามาลาภารีไปเที่ยวชมอุทยานพร้อมกับหมูเ่เทพอับศรเทพธิดาองค์หนึ่งจุติในขณะที่กำลังนั่งอยู่บนกิ่งไม้ให้ดอกไม้หล่นจากต้นสรีระของนางดับหายไป เหมือนอย่างเปลวประทีปดับนั่งถือปฏิสนธิในตระกูลหนึ่งในกรุงสาวัตถีเมื่อเกิดขึ้นระลึกชาติได้ว่าเป็นภรยาของมาลาภารีเทวบุตรจุติมาเกิดได้ทำการบูชาพระรัตนตรยัยตั้งความปรารถนาจะไปเกิดในสำนักของเทพสามีอีกขณะนั้นพระพุทธเจ้าประทับอยู่ณนะกรุงสาวัตถีนางมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาทาบุญกุศลต่าง และตั้งความปรารถนาข้อเดียวนั้นตั้งแต่อย่างยาววจนถึงได้นามว่าปฏิปูชิกาแปลว่าบูชาเพื่อสามีเมื่อจเจริญวขึ้นได้สามีคนทั้งหลายก็เข้าใจว่าเป็นที่สมปรารถนาแล้วนางมีบุตรหลายคนโดยลำดับได้ตั้งหน้าทาบุญกุศลต่างๆเป็นนิดมาในวันสุดท้ายของชีวิตเมื่อฟังธรรมรักษาศิขาบทแล้ว ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคปัจจุบันบังเกิดในสานักเทพสามีในสวนสวรรค์นั้นแหละขณะนั้นมาลาพารีเทวบุตรก็กำลังอยู่ในอุทยานหมู่เทพอับศรกำลังเก็บร้อยดอกไม้กันอยู่เทวบุตรได้ทักถามว่านางหายไปไหนแต่เช้านางได้ตอบว่าจุติไปเกิดในมนุษย์ได้เล่าเรื่องของนางในมนุษย์โดยตลอดและได้เล่าถึงความตั้งใจของนางเพื่อที่จะมาเกิดอีก ในสำนักของเทพสามีบัตรนี้ก็ได้มาเกิดสมปรารถนาด้วยอำนาจบุญกุศลและความตั้งใจเทวบุตรถามถึงกำหนดอายุมนุษย์เมื่อได้รับตอบว่าประมาณร้อยปีเกินไปมีน้อยได้ถามต่อไปว่าหมู่มนุษย์มีอายุเพียงเท่านี้พากันประมาทเหมือนอย่างหลับหรือพากันทำบุญกุศลต่างๆเทพธิดาตอบว่าพวกมนุษย์โดยมากพากันประมาท เหมือนอย่างมีอายุตั้งอสงไขยเหมือนอย่างไม่แก่ไม่ตายเทวบุตรได้เกิดความสังเวชใจขึ้นมากเรื่องนี้ท่านเขียนเล่าประกอบพระพุทธภาษิตในธรรมบทข้อหนึ่งที่แปลความว่าผู้ทำที่สุดแห่งชีวิตคือความตายย่อมทำนรชนที่มีใจติดข้องในสิ่งต่างๆไม่อิ่มอยู่ในกามทั้งหลายเหมือนเพลินเก็บดอกไม้อยู่สู่อำนาจ ดูความแห่งพระธรรมบทข้อนี้เห็นได้ว่ามุ่งเตือนใจให้ไม่ประมาทเพราะทุกทุกคนจะต้องตายขณะที่ยังไม่อิ่มยังเพลิดเพลินอยู่ในกามเหมือนอย่างเพลินเก็บดอกไม้ท่านจึงเล่าเรื่องเทพธิดาเพลินเก็บดอกไม้ต้องจุติทันทีในส่วนสวรรค์เทวดามีอายุยืนนานกติภายนอกพระพุทธศาสนาว่าเป็นผู้ไม่ตายจึงเรียกว่าอามร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 ท่านเล่าให้มองเห็นว่าครู่เดียวจริงๆชาติหนึ่งของมนุษย์ยังไม่เท่าเวลาชมสวนของเทวดาครั้งหนึ่งท่านเล่าเรื่องในตอนท้ายให้เทวดาสั่งเวศมนุษย์ว่าประมาทแม้จะไม่ตรงประเด็นกับความในพระธรรมบทนักก็ชวนให้เห็นว่าประมาทกันอยู่จริงเพราะทาให้เห็นชัดว่าชีวิตนี้น้อยหนักเหมือนอย่างครู่เดียวจึงเล่าเรื่องในสวรรค์เป็นเรื่องเทียบ ที่ทำให้เห็นชัดได้ทันทีว่าน้อยนิดเดียวนําใจให้เกิดสังเวทเกิดความไม่ประมาทขึ้นได้เร็วเป็นอันว่าท่านสอนได้ผลอันที่จริงเม็ดยาที่เคลือบน้ําตาลเป็นของที่กลื่อนง่ายถ้าคิดรังเกียจสงสัยอยู่ว่าน้ําตาลเคลือบไม่ใช่น้ําตาลจริงไม่ยอมรับยาโรค ก, ก็ไม่หายถ้ารับยาเคลือบน้ําตาลที่ถูกโรค นอกจากโรคจะหายแล้วยังหวานลิ้นอีกด้วยคำแปลเทพแปดพระพุทธศาสนาโดยตรงกล่าวถึงเวลาเพื่อแสดงธรรมเช่นที่สอนว่า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 สัตว์ผู้ท่องเที่ยวเวียนเกิดเวียนตายในสังสารวัตรดังพระธรรมบทหนึ่งว่าราตรีของคนที่ตื่นอยู่เป็นของยาวโยธของคนที่เมื่อยล้าเป็นของยาวสงสารของคนเขาไม่รู้สัตยธรรมเป็นของยาวอันที่จริงเวลาราตรีหนึ่งระยะทางโยธหนึ่งก็คงอยู่เท่านั้นคนที่นอนหลับสบายหรือคนที่ทำอะไรเพลิดเพลิน ก็ไม่รู้สึกว่ายาวอาจรู้สึกว่าเหมือนเดียวเดียวแม้เวลาตั้งกลับกันก็เหมือนเดียวเดียวถ้าหลับเพลิอนอยู่คนที่แข็งแรงเดินเก่งและมีความเพลิดเพลินในการเดินโยดหนึ่งก็จะไม่รู้สึกว่าไกลจะรู้สึกว่าถึงเร็วแต่คนที่มีทุกข์นอนไม่หลับและคนที่เมื่อยล้าจะรู้สึกว่าราตรีและโยดยาวมาก เป็นเครื่องแสดงเทียบกับสงสารของคนเขาซึ่งจะต้องท่องเที่ยวไปยืดยาวนานไกลฉะนั้นเรื่องของเวลาหรือสถานที่จึงเกี่ยวแก่กายและใจของคนโดยเฉพาะก็เกี่ยวกับใจแต่คิดเร่งให้เร็วก็เหมือนช้าหรือยาวถ้าคิดหน่วงให้ช้าก็เหมือนสั้นหรือเร็วความจริงก็คงที่อยู่อย่างนั้นอาการเกิดของเทวดา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 เทวดาในคำพีพระพุทธศาสนาจัดเป็นอุปาติกะกำเนิดทั้งหมดคำว่าเทวะในคำพีสัตว์ตัณิติให้คำแปลไว้แปอย่างดังต่อไปนี้ 1. ผู้ที่เล่นคือผู้ที่เล่นด้วยกามคุณทั้งห้าน่าจะหมายถึงว่ามีสุขสนุกสบายอยู่ด้วยทิพยะสมบัติทุกเวลา 2. ผู้ที่ปรารถนาหมายถึงผู้ที่ปรารถนาจะชนะปฏิปัก คือต้องการชนะฆ่าศึกไม่ยอมแพ้ 3. ผู้ที่กล่าวหมายถึงผู้ที่กล่าวว่าควรไม่ควรของโลกคือมีวาจาที่โลกนับถือบอกว่าควรหรือไม่ควรอย่างไรก็เชื่อฟัง 4. ผู้ที่รุ่งเรืองสว่างหมายถึงรุ่งเรืองสว่างด้วยแสงสว่างรุ่งเรืองแต่สริระอย่างยิ่ง 5. ผู้ที่ได้รับความชมเชย 6. ผู้ที่มีผู้ใคร่หมายถึงผู้ที่มีผู้ใคร่จะเห็นจะได้ยินเพราะประกอบด้วยความงามเป็นพิเศษ 7. ผู้ที่ไปได้หมายถึงผู้ที่ไปได้โดยไม่ขัดข้องในที่ตามที่ปรารถนา 8. ผู้ที่สามารถหมายถึงผู้ที่สามารถอย่างกิจนั้นๆให้สําเร็จด้วยอนุภาพสมบัติ